ดีๆชี้ทางบรรเทาทุกบรรลุซึงซ้งซึ้งปัญญาในสันสนีสนทนาสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะได้เวลาที่เราจะมาพบกันอีกในรายการนี้สันสนีสนทนาที่สถานีวิทยุสทอ f m 1 0 6วิทยุครอบครัวข่าวโดยมีดิชัน ส, นสนันนิษฐานาพงศ์ดำเนินรายการนะคะในรายการนี้ เราจะพบกับท่านประมาณครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันเรื่องราวที่เอามาคุยอาจจะเป็นประเด็นธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปแต่ว่าอยากจะให้ท่านได้เข้าใจนะคะว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเราสามารถเอามาปรับประยุกใช้กับการดำเนินชีวิตหรือว่ากับทัศนคติมุมมองที่เราจะมีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกนี้แล้วมันชวนให้เราเกิดความรู้สึกว่าทำไมโลกนี้วุ่นวายจริงหนอได้ ยิ่งกว่านั้นสำหรับคนที่เห็นความทุกข์และมีความรู้สึกอยากจะพ้นจากความทุกข์ถ้าท่านนําอกไปปฏิบัติแล้วท่านก็จะได้พ้นจากความทุกข์นั้นตามลำดับของความทุ่มเทที่ท่านได้ให้กับตัวเองรายการนี้เราก็อยากจะบอกท่านฟังว่าพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะติดตามรับฟังกันไปเรื่อย ที่นออ่านข่าวบางประเภทเนี่ยอ่านแล้วมีความรู้สึกแหมมันเศร้าใจนะเช่นโจรไปตัดเสียนพระโจรไปขโมยของในวัดโจรไปทำร้ายพระดีๆนะคะแล้วก็ที่เศร้าใจมากกว่านะั้นนิดหน่อยก็คือเรื่องของคนที่อยู่ในเพศสมณะแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกศรัทธาทดถอยพลอยส่งผลกระทบ ถึงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยแต่อะไรก็ตามโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะมีความเรียบร้อยมันก็มีความวุ่นวายสำหรับประเทศไทยเราหลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกมหาสมาคมมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องของการที่อยากจะให้สังคมสุขสงบซึ่งก็เป็นความสุขของพระองค์แล้วก็มีการน้อมรับ กระแสพระราชดำรัตเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแต่ก็เกิดคำถามตามมาว่าน้อมรับจะทําให้แล้วเนี่ยจะทําแบบไหนเพราะติดตามสถานการณ์มาด้วยความเป็นห่วงก็มีความรู้สึกว่าสถานการณ์มันค่อนข้างซับซ้อนหรือมันอาจจะเกิดการแข็งตัวละในความคิดของคนที่ทุ่มเทไปในแต่ละฝ่ายแต่ละซีกอันนี้ต้องใช้ปัญญาอย่างยิ่งยวดเลยนะคะดิฉันเองเนี่ยมีความเชื่ออย่างยิ่ง ว่าถ้าเอาวิธีการโดยธรรมธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยเข้าไปจับนะคะทำในหัวข้อต่างๆน่าจะทำให้สังคมไทยผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปสู่ความสงบสันติแบบเดิมหรือมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หรืออาจจะดีกว่าเดิมได้เพียงแต่ว่าทุกคนต้องให้ความใส่ใจและคนที่มีโอกาสนำ นำพาสังคมเนี่ยจะต้องทำอย่างจริงจังอย่างยิ่งยวดเดี๋ยวจะไปสนทนากับพระอาจารย์ไพบุ์อภิปุโ น, โนในเรื่องนี้สักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปสู่ในช่วงอื่นซึ่งพอดีมีคำถามของโยมเขาได้ถามมาล่วงหน้าแล้วก็ตั้งใจว่าจะตอบไปในวันนี้นะคะพบกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุล โ, โนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดรอยธานีกันในช่วงถามโลกตอบธรรมค่ะ ชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ้งปัญญาในสันสนีสนทนาสวัสดีครับผมพิษณุเองกลัดวันนี้ผมมาแนะนำทิปในการรวยเบ้นรวยเงินล้านง่ายๆครับ แฝากสลากควมสินพิเศษชมหมายอายุ5ปีเ <_ C ell> พียงหน่วยละ100บาทคนก็มีสิทธิ์รุนดเเบนถึง10ขันฟังไม่ผิดหรอกครับรุนเบนเดือนละครับ2สองเดือนสุดท้ายลุนเดือนละ3ขันรวด <_ c oughs> แถมลุนวันที่1รวด20ล้านบาททุกเดือนฝากครบกำหนดรับดอกเบีย้ยสูงงานนี้ฝากก่อนรุนรดเบนก่อนถึง30ในสายนีนะโทรเลย1115 ตอบธรรมขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านที่กําลังฟังรายการสันนิษฐาสนทนาพบกับช่วงถามโลกตอบธรรมสนทนากับพระอาจารย์ภัยบูญอาภีปุลโนค่ะนมัสการคือท่านคะใช่จารย์เรค่ะคนไทยช่วยกันทํำยังไงดีคะท่านคะอันแรกก็ต้องมีความสามัคคีนั่นแหละนั่นคือคุณธรรมที่พระเจ้าให้ให้มีกันไว้ค่ะ เพราะว่าถ้าแตกแยกกันเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็จะแย่อย่างพิกษุในเมืองกรุงโกสัมพีที่มีตัวอย่างมาแล้วพระเจ้าก็เลยต้องอเน้นให้สา ม, มัคคีกันพระเราก็ต้องสามัคคีกันพฤตธรรมที่ทําให้สา ม, มัคคีกันก็คื อ, อเรื่องของการที่ไม่คิดเรื่องการไม่คิดเรื่องพยาบาทไม่คิดเรื่องเบ็ดเบียนผู้จาก็ผู้จาที่ไม่ให้เกิดความโต้เถียงตัวอย่างกันค่อยๆพูด ค, ค, ค, ค่อยจากันไปค่ะ okay. คือควาจริงถ้าเอาหลากัหลกๆอย่างนี้แล้วพยายามไปปรับประยุกต์เข้ากับทุกเรื่องก็ไม่ต้องจดจําอะไรกันมากนะคะใช่คือต้องเลิกเลยหรือว่าลดคะการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยลดเลยเลิกไปเลยลดละเลิ ก, ลกยังไม่ได้ก็ค่อยๆลดก่อนค <C 's S 2> ่ะใช่หมครัพระเจ้าพูดถึงความหมายในธรรมะวินัยนี้ว่าเออมันเหมือนกับไหลทะเลค่อยๆลดไปค่อยๆลดไปค่ะดูเหมือนอาจจะคําว่าการเนี่ยเราอาจจะยังคิดไม่ออกว่าเออล ะ, ล ะ, ละกามและสังคมสงบสุขได้ยังไง <C 's my friend> แต่ถ้าพยาบาทเนี่ยเห็นชัดเจนมาก<ช>นะคะเบียดเบียนก็เช่นเดียวกัน<ช>แต่<ช>การเนี่ยถ้าจะให้ท่านยกตัวอย่างแบบเรื่องของสังคมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนคะก็เรื่องผลประโยชน์นี่คือการฉันอยากได้ผลประโยชน์อันนี้ฉันก็เลยทำอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารับตรงนี้ได้เนี่ยปัญหามันก็จะลดแน่ละถ้าเป็นผลประโยชน์ที่ฉันไม่ควรได้ต้องละต้องเลิก แต่ถ้ามันควรได้ตามธรรมก็ไม่เป็นไรพระราชาพูดถึงความมีอภิชาคือการเพ่งเลงค่ะบอกว่าถ้าใครเนี่ยมีจิตบอกว่าสิ่งใดเป็นของผู้อื่นสิ่งนั้นจงมาเป็นของเราอันนี้เป็นผู้เพ่งเลงวัต ถ, ถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นอันนี้ไม่ ค, ไมควรมีไม่ควรทํานะคะอันนี้เป็นกาบล่ะท่านคะทีนี้อ่ะฝากไว้เท่านี้เลยเพราะรู้สึกว่าท่านให้คาถาใหญ่มากแล้วสามารถเอาไปใช้ได้เป็นอย่างดี อันนี้เป็นวิธีของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยสังคมไทยได้อยู่ที่ว่าจะเอาไปใช้กันรึเปล่าเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ที่เราจะเริ่มต้นที่คนอื่นคงลำบากต้องเริ่มที่ตัวเองงั้นหรือเปล่าเริ่มที่ตัวเองก่อนเลยทําความดีเริ่มที่ตัวเองท่าอาจารย์คะโยมอ่อนค่ ะ, ออะบอกว่าคนไปโรกเรื้อรังเนี่ยแล้วรักษาไม่หายเป็นกรรมแต่ชาติปางก่อนหรือเปล่า ท, ทั้งทั้งที่เป็นคนซึ่งนั่งสมาธิ แต่ดูเหมือนกับการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ช่วย mm hmm. อาการป่วยกำเริบบ่อย mm hmm. รักษาศีลห้าด้วยนะคะแต่อาจจะเป็นรองสมาธิอยู่ mm hmm. ก็อันนี้เป็นเรื่องเจ็บแค่ได้ป่วยกับเรื่องสงสัยว่าเป็นชาติก่อนหรือเปล่าและทำไมนั่งสมาธิถึงไม่ช่วยะนะครับส่วนคำถามถัดมาเนี่ยบอกเวลานั่งสมาธิฟุ้งซ่านบ่อยเผลอบ่อยต้องแก้ไขยอย่างไรก็มีมีสองคถามค่ะ จะตอบคําถามแรกก่อนคือเรื่องของการเป็นโรคการเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเกี่ยวกับกรรมจากชาติที่แล้วมาจริงหรือไม่พลเรือเอกอธิบายถึงเรื่องนี้ว่าทุกขเวทนาที่เรากําลังได้รับอยู่ตอนเนี้ยมีผลมาจากหลายอย่างกรรมเก่าก็เป็นอย่างหนึ่ ง, งการเตรียมตัวไม่สม่ําเสมอก็เป็นอย่างหนึ่งอากาศแปรปรวนก็เป็นอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมาจากกรรมเก่าคือชาติที่แล้วเนี่ยไม่ถูกแต่ถ้าเราจะบอกว่าเป็นเพราะ เป็นเพราะว่าการเตรียมตัวสม่าไม่สม่าเสมออย่างเดียวมันก็ไม่ถูกคือมันมีสัด ส, ส่วนผสมกันไปทีนี้บุคคลที่ถูกต้องโรคหรือว่ามีความทุกข์อย่างหนักเนี่ยควรจะทํำยังไงดีกว่าควรจะเข้าใจเรื่องกรรมว่าอย่างไรปริชาอธิบายเรื่องกรรมเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยจะต้องรู้เรื่องกรรมนะในห้าถึงหกประเด็นอย่างนี้คือหนึ่งกรรมเหตุเกิดของกรรมคืออะไร <Okay. S 1> เหตุเกิดของกรรมเนี่ยคือผัสสะ <Okay. S 1> ถ้ามีผัสสะมากระทบปุ๊บเนี่ย ตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นต่างๆเนี่ยแล้วจิตมีการตอบสนองออกไปเนี่ยนั่นคือการกระทำนะเราจะพูดกรรมว่าเป็นการกระทำนะเพราะฉะนั้นการกระทํำณขณะนั้นจิตมีการกระทําทางกายไม่ก็ทางวาจาไม่ก็ทางใจอันนี้คือเหตุเกิดของกรรมเพราะฉะนั้นอธิบายของตัวกรรมเนี่ยว่าการกระทำเนี่ยมีทั้งหมดสี่แบบการกระทําที่เป็นสีดําการกระทําที่เป็นสีขาวการกระทําที่เป็นทั้งดําทั้งขาวและการกระทําที่ไม่ใช่ดําไม่ใช่ขาว การกระทำสีดำคืออะไรก็การกระทำที่ไม่ดีกายไม่ดีวาจาไม่ดีใจไม่ดีอันนี้การกระทำสีดำสีขาวก็ต้องข้ามกันทั้งดำและขาวก็คือบางคนเนี่ยทำทั้งสองอย่างไม่ดำไม่ขาวก็คือเป็นปฏิปทาเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนั้นคือการกระทำแบบมรรคแปดและอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือความดับแห่งกรรมเนี่ยมีก็คือความดับไม่เหลือแห่งภาษาพระพาอธิบายไว้ แล้วอธิบายถึงการแก้กรรมนี่พระเจ้าบอกวิธีแก้กรรมของพระเจ้าเนี่ยนะ <c oughs> ก็คือการปฏิบัติตามมรรคมีองแปบดบนะอย่างสมะเมธสังฆราชเนี่ยยกตัวอย่างของเรื่องกรรมอย่างนี้บอกว่าสมมติเรากระดาษสีขาวมาแผ่นหนึ่ง <c oughs> เข็นก็ไก่ลงไปเกาไก่กอควาย <c oughs> เข็มไปเรื <c oughs> <ๆ>่อยจนกระทั่งกระดาษทั้งหมดแผ่นเนี้ยทั้งหมดเลยไม่มีส่วนสีขาวอยู่เลยเลยต็ไมไปด้วยสีดําหมดออื <c oughs> แล้วถามว่ากอไก่ตัวแรกอะอยู่ไหน โอ้โหมันตามหาไม่ได้หรอกแล้วถ้าเราจะไปตามลบตามแก้เนี่ยมันไม่หมดเพราะว่าสังสรารวัตรนี้เนี่ยที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏมันเยอะมากวิธีแก้ของพระเจ้าก็คือให้ทิ้งกระดาษไปเลยค่ะอ่ากระดาษอยไปถือมันอย่าไปเขียนใส่ใหม่ไม่ต้องตามลบแต่ทิ้งกระดาษไปเลยนั่นคือปฏิปทานในการสิน้นกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพระเจ้าพูดถึงอมร 8, รคแปถูกไหมคืออันรแรกก่อนคือสมาธิเ บอกว่าเอ๊ะถ้ามีคนบอกว่าให้เราไปแก้กรรมเนี่ยไอ้ <Okay. S 1> เธอเป็นโลกนี้โลกนี้เธอได้รับทุกเวทนาอย่างนี้อย่างนี้เธอเลยแก้กรรมนะอาดมน้ำสิบครั้งผลขึ้นมาแล้วเอาอันนี้ไปสับให้ละเอียดแล้วไปโรยตรงนั้นตรงนี้อันนี้ไม่ใช่นแน่นอน <Okay. S 1> แต่ถ้าบอกว่าให้ไปทําทานอันนี้เข้าท่านหน่อยถ้าบอกอ่าให้ไปให้ทานที่นี่นะให้ไปบริจาคทรัพย์ที่นี่อันนี้เข้าท่านิดหนึ่งให้ไปถือศีล น, นะพ่อแม่มีบิดามีการทําดีมีการทําทชั่วมีมีผลการเชื่อแบบนี้เป็นสัมมาทิฏฐิ อันนี้พอไปได้ที น, นี้พระรัชกาเนี่ยอธิบายไว้โดยอนเนกปริยายโดยพิสดารถึงมักมีองค์แปดทั้งหมดใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรรมที่หนักที่สุดเนี่ยของความดีเนี่ยพระรัชกาพูดถึงอนันตริยกรรมที่เป็นความดีเนี่ยคือสมาวรทั้งแปดคือสมาธิทั้งแปดขันคเราเคยได้ยินอนันตริยกรรมห้าที่ว่าเป็นทางฝ่ายลบถูกไหมที่ว่าถ้าใครทําแล้วเนี่ยออกไปนรกแน่นอน อารมก่อนเพื่อนเลยคือเป็นเขาเรียกว่าเหมือนหญ้าปากอคอกแล้วเหมือนวัวปากอคอกเนี่ยเปิดปุ๊บมันจะออกก่อนคก็คือทําพระเจ้าให้หอเลือดทาสงแต่การฆ่ามดาฆ่าบิดาฆ่าปรารนในยะตรงข้ามอนันตริยกรรมของฝ่ายบวกก็มีอนึกว่ามีแต่ฝ่ายไม่ดีนะคะเนี่ยมีมีฝ่ายเรียกว่าอนันตริยกรรมเหมือนกันใช่เป็นฝ่ายดีถูกต้องการกระทําที่ได้ผลก่อนหนักที่สุดก่อนเพื่อนเหมือนวัวปากอคอกออกก่อนเลยนั่นคือการทําสมาธิทั้งแปดขัน Mm hmm. อ่าสมาบัติระดับที่หนึ่งใช่ไหมไม่คิดเรื่องการปัญญาบ่าเบียดเบียนจิตสงบมีปิติสุขโอ้โหนั่นแหละสมาบัติระดับทบี่หน mm ึ่งเป็นอนันตริยกรรมอย่างแรกทําไปเลยทําให้มากทํำให้บ่อยแล้วไม่เจริญคือสมาธิค่ะ <c oughs> นี่คือการแก้กรรมแล้วพระพุทธเจ้ายังเปรียบเทียบนะเหมือนกับบอกว่าเอาเอาเกลือมาช้อนโต๊ะหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปในแก้วคนแล้วลองชิมดูเค็มไหมเค็มเอาเอาเกลือช้อนโต๊ะหนึ่งเหมือนกันไปใส่ในแม่น้ําเจ้าพรยาชง ิมเค็มไหมไม่เค็มเอ๊ะทำไมธนาที่เกลือเท่ากันเพราะว่าน้ำในแม่น้ําเจ้าประยามันเยอะมากเช่นเดียวกันถ้าเรามีทำดีการกระทําที่ของดีเนี่ยมันเยอะมากเนี่ยผลที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยเช่นเกลือเนี่ยมันนิดเดียวค่ะอท่านคะสมมติคือเท่าที่ฟังมาถึงตอนเนี้เนี่ยจ ะ, จะสรุปคําตอบของคุณ อ, อ่นิดหนึ่งว่าอโรคที่เป็นรักษาไม่หายเป็นกรรมชาติก่อนหรือไม่ไม่เสมอไปถู ก, ถกไหมคะเพราะท่านบอกว่า การจะเกิดโรคอย่างนี้มันมีหลายสาเหตุกรรมเก่าก็ใช่เตรียมตัวไม่สม่ําเสมอเช่นว่าเป็นคนกินอยู่ไม่ดีมาตลอดโดยไม่ได้ระมัดระวังอย่างสม่ําเสมอถูกไหมคะใช่อากาศแปรปรวนก็คืออย่างช่วงเนี้ยอากาศแปรปรวนก็เป็นไปได้ดังนั้นไม่ใช่เป็นเพราะกรรมเก่าแต่เพียงอย่างเดียวท่านต้องพิจารณาปัจจัยอื่นด้วยนะคะส่วนจะแก้กรรมได้อย่างไรนะคะท่านบอกว่าถ้าเอาอย่างเร็วเลย มีวิธีการทําความดีที่ได้ผลอย่างหนักหน่หนวงยิ่งยวดเร็ว แ, <ล>แน่นอน ร, ร, รมคืออนันตริยกรรมฝ่ายดีที่มีสมาธิแปดขั้นท่านคะทำขั้นแรกเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านพูดเนี่ยขั้นแรกนี่ทําอย่างไรนะคะขั้นแรกก็คือง่ายๆพระพุทธเจ้าพูดถึงการที่สงบจิตของเราเนี่ยสงบจากอากุศลธรรมทั้งหลายค่ะเช่นอะไรคิดเรื่องกามคิดเรื่องพยาบาทคิดเรื่องเบียดเบียนนะอันนี้เราไม่คิดค่ะ และพูดถึงสมมุตินะคะอวิธีการทําต้องนั่งสมาธิด้วยไหมคะการทําสมาธิเนี่ยทําได้ทุกอริยบทอยู่แล้วค่ะทํางานอยู่นี่ฟังรายการอยู่เนี่ยมีสติหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแหละความเพียรแบบเนี้ทิฏฐิแบบเนี้เป็นสมาธิที่แล้วค่ะและถ้าสมมติว่าคนบางคนเนี่ยกําลังยังอ่อนใช่ไหมคะมก็ต้องเริ่มจากอ่อนๆก่อนอ่าต้องฝึกต้องค่อยๆถ้าปฏิบัติสิ่งที่จะให้ผลอย่างอนันต์ คือปฏิบัติกรรมที่เป็นการทําสมาธิในลําดับแรกจิตสงบไม่คิดการมพยาบาทเปลียดเบียนแต่เพีอย่างเดียวเนี่ยช่วยได้พอสมควรหรือว่ายังไม่หรือได้มากคะก็คือว่าเราก็ต้องทําให้มากขึ้นเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนกับน้ําในแก้วกับน้ําในน้ำเท้าพระยาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมที่เราทําไว้เนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะมากนะคนที่สามารถดูกรรมได้เห็นชาติเก่าชาติก่อนเนี่ยมันเป็นไปได้ในในใน บุรุษชาติก็พูดถึงความสามารถของบุคคลถ้ามีสมาธิก็สามารถเห็นกรรมเห็นอะไรได้แต่ว่ามันไม่หมดหรอกใช่ไหมเป็นอย่างที่เรายกตัวอย่างสมเด็จสังฆราช ย, ยกตัวอย่างของกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยมันไม่หมดหรอกมีพระรุจ้าองค์เดียวที่สามารถเห็นหมดได้เพราะฉะนั้นการที่จะพยากรณ์อะไรเนี่ยมันมันเลยมีความเสี่ยงว่าจะถูกหรือไม่ถูกแต่ที่แน่แน่ถ้าคุณ น, นั่งสมาธิติดคุณสงบที่แน่แน่คุณทําความดีมันจะต้องเห็นผล ให้มีสมาธิถิแบบนี้ค่ะให้เชื่อกรรมแบบนี้ก็ขอให้ลองพิจารณาแบบนี้แล้วก็เข้าใจว่าโยมท่านนี้หรือท่านที่เป็นเจ้าของปัญหานี้น่าจะมาถูกทางแล้วก็บอกว่านั่งสมาธิ<ช>อยู่แต่ทําไมเหมือนไม่ช่วยละคะท่านการนั่งสมาธิเนี่ยอันดับแรกก่อนจิตสงบใช่ไหมแต่ถ้าจิตไม่สงบเราต้องมีสติเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปหาจุดก่อนว่าเออเรานั่งเนี่ย ก่อนอื่เราจะเอาความสงบใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ความสงบไม่เป็นไรเราทําไม่ถูกเหมือนกับว่าถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยการทําสมาธิเนี่ยไม่ใช่มีเอาความอยากนะไม่ใช่อยากได้สมาธิใหญ่ได้สมาธิไม่ใช่เป็นการปล่อยวางว่างอะไรวางสิ่งไม่ดีวางความอยากยิ่งอยากยิ่งไม่ได้อืต้องวางความอยากถ้าไม่ไม่อยากทําให้ถูกมีสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามรู้กายหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้ได้ไม่ต้องอยาก มีสติเอาอย่างนี้เท่ากับว่าท่านอาจารย์กำลังจะบอกว่าสงสัยนั่งสมาธิแล้ว ร, รู้สึกว่าไม่ช่วยเพราะว่ายังวางความอยากไม่ได้ก็ อ, อยากได้ไงต้องอมไม่อยากเพราะว่าสมาธิเนี่ยเป็นของเบาของเบาเนี่ยคุณจะต้องวางใช่ไหมพระพุทธช้าอธิบายไล่ไปแปดขั้นเนี่ยอันแรกก่อนวางความไม่ดีอันที่สองวางปีติสุขด้วยวางความปีตินั่ น, น, นวางด้วยอันที่สามวางความสุขนั้นด้วยวางวางวางวางไป ให้มากขึ้นมันก็จะละเอียดมากขึ้น <c oughs> คนที่ไม่เคยฟังเรื่องอะไรพวกนี้มาก่อนนี่ฟังแล้วก็อาจจะงง <c oughs> มั <c oughs> มันเป็นไปได้ยังไง <c oughs> ออต้องเกิดความอยากก่อนสี่ถึงจะนั่งนั่งแล้วมันก็ต้องอยากสี่อยากจะมี <c oughs> สมาธิต <c oughs> นี้ปัญหาตรงนี้มันจะมาสอดคล้องกับที่เขาถามปัญหาที่สอใช่ไหมว่าถ้านั่งสมาธิแล้วจิตฟุง้งซ่านบ่อยๆแล้วจะแก้ยังไง อ, อธิบายได้เลยเพราะว่ามันมานเดียวกันคนที่มีความอยากเนี่ยอยากนั่งสมาธิและอยากให้จิตสงบก็ตามนั่งสมาธิและจิตฟุ้งซ่านก็ตามเนี่ ม, มันอันเดียวกันวิธีแก่นี่นนต้องหาพวกพวกที่ไหนล่ะคะพวกเนี่ยผู้รู้จ่าเสือเ้อสีไหนดีคะ่ะอะไนะหาพวกในเสื้อสีไหนดีคะ่ะอ่าพวกเนี่ยผู้รู้จ่าเปรียบเทียบบอก ง, งี้ว่า ในพระราชาเนี่ยในปัญจตะนะกองของพระราชาเนี่ยมีกองกําลังอยู่เป็นจันมากมีกองช้างกองม้ากองรถกองธนูกองธงกองเสนาธิการกองพราธิการกองไฟกองราชบุตรกองคนกล้ากองโอ้โหกองพลเยอะมากภิกษุเนี่ยคนที่จะทําสิ่งสมาธิให้เกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีกองกําลังอย่างนี้เปรียบเสมือนความเพียรต้องมีความเพียรเป็นกองกําลังความเพียรอะไรละอาคุศลความเพียรอะไรทํากุศลให้เกิด นี่เอาความเพียรเป็นกำลังเอาความเพียรเป็นพวกใช่ไหมถามว่าเพียรยังไงอ่ะเพียรยังฟังธรรมบ่อยๆคุยกับเข้าหาสมณะใช่ไหมคบสัตบุรุษโยนิโสมาณสิการนี่เป็นความเพียรที่เอาธรรมะเข้าเอาธรํากุศลธรรมให้เกิดสิ่งอะไรไม่ดีเพื่อนชั่วเราไม่ครบระคนไม่ดีเราไม่เข้าใกล้แค่นี้นี่คือความเพียรแบบที่ว่ า, เ, าเป็นสมาบัยมะเอาพวก ออืก็เท่ากับว่าไม่ต้องไปสนใจกับอาการฟุ้งซ่านแล้วเป็นทุกข์แต่ไม่มีสติอยู่เท่านั้นแหละขอให้มีสติแล้วก็ต่อไปถ้าหากว่านั่งสมาธิทีนี้เวลาถ้าจิตมันฟุ้งออกไปที่อื่น<ม>ก็ต้องทําใจว่านั่นคือธรรมดาของจิตไหมคะต้องเข้าใจว่าไม่ ใ, ใช่ําใจใช่เข้าใจว่าเป็นอย่างไงแล้วก็ปล่อยให้เข้าไปแต่เราดึงกลับตามวิธีของการทําสมาธิว่าจะจับจิตให้มันอยู่กับที่ จริงๆดึงกลับเนี่ยเราไม่ต้องดึงกลับเร า, เราวางความคิดนั้นหรอคะถ้าดึงมันต้องใช้แรงมันจะเหนื่อยเราวางวางปั๊บนี่แล้วมันอยู่ที่ลมหายใจปล่อยไปเลยปล่อยจ้าค่ะปล่อยอ น, นุไม่ต้องไปสนใจเก็บคิดว่าเป็นของตกไม่ใช่เออไม่เกี่ยวค่ะวันนี้ก็เลยจะฝากเรื่องเกี่ยวกับตรากฎภาษีไว้ที่เกี่ยวข้องกับอันนี้ค่ะคือเรื่องของกายในข้อ45พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่น กรรมเก่าคือกายนี้เนี่ยอันเจอทั้งหลายเพึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประแจงโปร่งแต่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ไดค้คือพระเจ้าบอกกายเนี่ยคือกรรมเก่าแล้วก็กรรมเก่านี้ทำหน้าที่อะไรรับรู้อารมณ์รู้สึกนั่นนี่ปรุงแต่งต่อสิ่งต่างๆแค่นี้เองค่ะอืม<ต>นี่คือกรรมนี้คือกายเก่าใครที่ได้รับ ร้อแปดตถาคตไปแล้วก็สามารถที่เอาไปเปิดอ่านไข้ครวนนะคะเราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นท่านที่เป็นเจ้าของคําถามนี้คงที่จะได้รับความกระจ่างกันไปแล้วท่านฝังท่านอื่นก็ปลอยได้ประโยชน์ไปด้วยวันนี้ต้องนมันสการขอบคุณท่านอาจารย์เพ็ญบุญไว้ในโอกาส น, นี้นะคะนมัสการค่ะถามโลกตอบธรรมท่านฝั่งคะ่ะ ตอนนี้ได้เวลาที่จะอ่านพุทธประวัติจากพระโอษ์ให้ท่านฟังเข้าใจว่าสัปดาห์นี้ค่ะก็จะจบทั้งเล่มของพุทธประวัติจากพระโอษ์โดยตอนที่จะอ่านให้ฟังวันนี้เป็นการบําเพ็ญบา ร, รมีในพระชาติก่อนโดยเป็นเจ้าชายยุทันชยะค่ะพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสเล่าว่าเมื่อเรามีชาติเป็นราชบุตรชื่อยุทันชยะยิ่งด้วยยศ ได้เกิดความรู้สึกสลดต่อชีวิตในขณะที่มองเห็นหยาดน้ำค้างในเวลาเช้าเหือดแห้งไปเพราะแสงแดดเป็นอุปมาเรายุดเอาความรู้สึกนั้นเป็นอารมณ์อันแน่วแน่ก็ยิ่งสลดสังเวชมากขึ้นเข้าไปหาเจ้าแม่และเจ้าพ่อขออนุญาตออกบวชเจ้าแม่และเจ้าพ่อพร้อมด้วยชาวนครและชาวแคว้นเข้ามาอ้อนวอนเราขอให้คงอยู่ครอบครองแผ่นดิน อันมั่งคั่งรุ่งเรืองเราไม่เอาใจใส่ต่อเจ้าแม่เจ้าพ่อพระญาติวงร้อมทั้งชาวนาครและชาวแคว้นสลัดทิ้งไปแล้วเราสลัดราชสมบัติญาติค่าแผ่นดินยศและสิ่งทั้งปวงไปอย่างไม่ลังเลเยื่อใหญ่ประเหต์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ใช่ว่าเจ้าแม่เจ้าพ่อจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่เราจะเกลียดยศก็หาไม่ สัพพันยุตยานเป็นที่รักยิ่งของเราฉะนั้นเราจึงสลัดราชสมบัติเสียค่ะท่านฟังคะนี่ก็เป็นพระชาติสำคัญอีกพระชาติหนึ่งท่านฟังคะสำหรับรายการสันสนีสนทนาที่ท่านกาลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเราก็กำลังจะก้าวผ่านปี2552ไปพร้อมๆกับท่านผู้ฟัง ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่จะต้องมีความส่งความสุขกันให้จริงๆนะให้กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าพระอาจารย์ภัยบุญอ ภ, ภิปุโนนะคะได้รวบรวมร้อแปตถาคตภาสิทธิคำพระพุทธเจ้าสั้นๆที่ล้ำค่ามากแล้วดิวฉันว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่านก็อยากให้เป็นสกลปีใหม่ก็เลยจะให้ท่านที่ได้เขียนมาขอหนังสือของท่านอาจารย์ ค, คริสต์โสธิพโลนะคะที่ชื่อว่าหนังสือ พุทธวัตฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะอันนั้นก็เป็นพุทธวัจนะเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่ใหญ่กว่าสพส อ, อันนี้อันนี้พกกระเป๋าเสื้อได้ให้ท่านไปใครครวนทั้งอย่างยาวหน่อยแล้วก็อย่างกระชับกระทัดรัดกันเลยนะคะติดต่อมาที่หมายเลข 02-269-00-06 เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุซึ่งก็น่ารักกันมากทุกคนเนี่ยนะคะจะได้ประสานงานว่าจะส่งมอบให้กันอย่างไรคะ่ะวันนี้ก็ขอให้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ท่านได้ใช้ชีวิตให้เป็นไปตามธรรมพยายามมีสติไม่ให้เกิดอกุศลการพยาบาทเบียดเบียนท่องไว้แค่3ามอย่างนี้ก็น่าที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างงดงามตามธรรมแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะ